ทำมุทเทศสี่ประการท่านพระรัฐบาลละถวายพระพรว่ามหาบาพิตรมีอยู่แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงทำมุทเทศสี่ประการที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตทำมุทเทศสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่ง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 ทรงแสดงธรรมเทศประการที่สองว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระที่อัตมาภาพรู้เห็นและฟังแล้วจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต 3. พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมุธเทศประการที่สว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไป ที่อัตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 4. พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นทรงแสดงธรรมมุทเทะประการที่สว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแห่งตันหาที่อัตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต มหาปพิธพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมมุทเถสีประการนี้แลที่อาตมาพรู้เห็นและฟังแล้วจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าโกรพยะตรัถามว่าท่านพระรัฐบาละกล่าวว่าโลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนเนื้อความแห่งภาสิทธินี้จะพึงเห็นได้อย่างไร ท่านพระรัฐบาลถวายพระพรว่ามหาบาพิธพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่ายอย่างไรพระองค์เมื่อมีพระชนมายุยี่สิบพันษาก็ดียี่สิห้าพันษาก็ดีทรงศึกษาอย่างคล่องแคล่วในเรื่องช้างก็ดีเรื่องม้าก็ดีเรื่องรถก็ดีเรื่องธนูก็ดีเรื่องอาวุธก็ดีทรงมีกำลังพระเพลาทรงมีกาลังพระพาหา ทรงมีพระวรกายสามารถฝ่าศึกสงครามมาแล้วมิใช่หรือพระคุณเจ้ารัฐปาละโยมเมื่ออายุยี่สิบปีก็ดียีหปีก็ดีได้ศึกษาอย่างคล่องแคล่วในเรื่องช้างก็ดีเรื่องม้าก็ดีเรื่องรถก็ดีเรื่องธนูก็ดีเรื่องอาวุธก็ดีมีกําลังขามีกําลังแขนมีร่างกายสามารถเคยฝ่าสงครามมาแล้ว บางครั้งโยมยังเข้าใจว่ามีฤทธิ์ไม่เห็นใครเสมอด้วยกําลังของโยมเลยมหาปิฏฐ์พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรมาบัดนี้พระองค์ก็ยังมีกําลังพระเพลามีกําลังพระพาหามีพระวรกายสามารถฝ่าสงครามได้เหมือนอย่างเดิมหรือพระคุณเจ้ารัฐปาละข้อนี้หามิได้บัดนี้โยมแก่แล้วเจริญวัยแล้ว เป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ววัยของโยมล่วงไปแปดสิบปีแล้วบางครั้งโยมคิดว่าจากก้าวเท้าไปทางนี้ก็ไพล่ก้าวไปทางอื่นเสียมหาปพิธพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงหมายถึงเนื้อความนี้แหลจึงตรัสรร ม, มุทเทสประการที่หนึ่งว่า โลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระคุณเจ้ารัฐปาละน่าอัศจรย์จริงไม่เคยปรากฏคำว่าโลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้วพระคุณเจ้ารัฐตาละ เป็นความจริงโลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนในราชตรกูลนี้มีหมู่พลช้างหมูพลม้าหมู่พลรถและหมู่พลเดินเท้าที่จักย่ำยีอันตรายของโยมได้ท่านพระรัฐบาละกล่าวว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานได้ไม่เป็นอิสระเนื้อความแห่งพาสิตนี้จะพึงเห็นได้อย่างไรมหาปพิธพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่ายอย่างไร พระองค์เคยประชวรหนักบ้างไหมพระคุณเจ้ารัฐปาละโยมเคยเจ็บหนักอยู่บางครั้งพวกมิดอมายญาสาโลหิตแวดล้อมโยมอยู่ด้วยสาคัญว่าพระเจ้าโกรพยะจากสวรรคตในบัดนี้พระเจ้าโกรพยะจากสวรรคตในบัดนี้มหาปพิธพระองค์ทรงเข้าพระทยัยความข้อนั้นว่ายอย่างไรพระองค์ได้มิดอมายญาสาโลหิต ที่มหาประพิธจะขอร้องว่ามิตรอมาตย่าสาโลหิตผู้เจริญของเราทั้งหมดที่มีอยู่จงมาช่วยแบ่งเวทนานี้ไปโดยช่วยเราให้ได้เสวยเวทนาเบาลงหรือว่าพระองค์เท่านั้นจะต้องเสวยเวทนานั้นพระคุณเจ้ารัฐปาละโยมจะได้มิตรอมาตย่าสาโลหิตที่โยมจะขอร้องว่ามิตรอมาตย่าสาโลหิตทั้งหมดที่มีอยู่ จงมาช่วยแบ่งเวทนานี้ไปช่วยเราให้ได้เสวยเวทนาเบาลงหามิได้แต่โยมเองเท่านั้นจะต้องเสวยเวทนานั้นมหาบาพิตรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงหมายถึงเนื้อความนี้แหลจึงตรัสธรรมุทเทศประการที่สองว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระ ที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพราะคุณเจ้ารัตปาละน่าอัศ จ, จริงไม่เคยปรากฏคำว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีอิสระพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้วพระคุณเจ้ารัตปาละเป็นความจริงโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระ ในราชตรกูลนี้มีเงินและทองอยู่ที่พื้นดินและในอากาศมากมายพระคุณเจ้ารัฐปาละกล่าวว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปเนื้อความแห่งภาสิทธินี้จะพึงเห็นได้อย่างไรมหาปพิธพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบัดนี้พระองค์เ อ, อืบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอพระองค์อยู่ฉันใด พระองค์จากได้สมพระราชประสงค์ว่าแม้โลกหน้าเราจะเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วย ก, การมาคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ฉันนั้นเหมือนกันหรือว่าชนเหล่าอื่นจะปกครองทรัพสมบัตินี้ส่วนพระองค์ก็จะเสด็จไปตามยถากรรมพระคุณเจ้ารัฐบาละบัดนี้โยมเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยการมาคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ฉันใด โยมก็จักไม่ได้ตามประสงค์ว่าแม้ในโลกหน้าเราจะเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยการมาคุณห้าประการบำเรตอตนอยู่ชั้นนั้นเหมือนกันที่แท้ชนเหล่านั้นจะปกครองทรัพสมบัตินี้ส่วนโยมก็จกไปตามยถากรรมมหาบาพิตรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงหมายถึงเนื้อความนี้แล จึงตรัสธำรรมุทเทสประการที่สามว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปที่อาตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระคุณเจ้ารัฐบาลละน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏคำว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงนี้พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้วพระคุณเจ้ารัฐบาละเป็นความจริงโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปท่านพระรัฐบาละกล่าวว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาเนื้อความแห่งพาสิทนี้จะพึงเห็นได้อย่างไรมหาปพิธพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่ายอย่างไร พระองค์ทรงปกครองแข็งขรุอันอุดมสมบูรณ์อยู่มิใช่หรือใช่แล้วพระคุณเจ้ารัฐบาลละยมปกครองแคข็งขรุอันอุดมสมบูรณ์อยู่มหาประพิษพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรราชบุรุษของพระองค์ที่แข็งขรุนี้เป็นที่เชื่อถือได้เป็นคนมีเหตุผลมาจากทิศตะวันออกเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า ขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์ควรทรงทราบว่าข้าพระองค์มาจากทิศตะวันออกในทิศนั้นข้าพระองค์ได้เห็นชนบทใหญ่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพ ล, ลเมืองหนาแน่นในชนบทนั้นมีหมู่พลช้างหมู่พลมา้าหมู่พลรถหมูพลเดินเท้ามีสัตว์ที่มีขี้วงามาก มีเงินทองทั้งที่ยังไม่ได้หลอมและที่หลอมแล้วเป็นจำนวนมากในชนบทนั้นสตรีเป็นผู้ปกครองพระองค์สามารถรบชนะได้ด้วยกําลังพลประมาณเท่านั้นขอพระองค์จงไปรบเอาเถิดมหาราชเจ้าพระองค์จะทรงทำอย่างไรกับชนบทนั้นพระคุณเจ้ารัฐปาละพวกโยมก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียนะสิมหาบาพิษ พระองค์ทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นว่าอย่างไรราชบุรุษของพระองค์ที่แควนขุรุนี้เป็นที่เชื่อถือได้เป็นคนมีเหตุผลมาจากทิศตะวันตกและถึงมาจากทิศเหนือมาจากทิศใต้มาจากสมุทรภากโน้นเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์ควรทรงทราบว่าข้าพระองค์มาจากสมุทรากโน้น ณที่นั้นข้าพระองค์ได้เห็นชนบทใหญ่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นในชนบทนั้นมีหมูพลช้างหมู่พลมา้าหมู่พลรถหมูพลเดินเท้ามีสัตว์ที่มีเขี้ยวงามากมีเงินทองทั้งที่ยังไม่ได้หลอมและที่หลอมแล้วเป็นจํานวนมากในชนบทนั้นสตรีเป็นผู้ปกครอง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 จึงตรัสทรมุทเทสประการที่สี่ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นทา่าแห่งตันหาที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตพระเจ้าโกรพยะตรัสว่าพระคุณเจ้ารัฐบาละน่าอัศจรย์จริงไม่เคยปรากฏคำว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นทา่าแห่งตัหานี้ พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้วพระคุณเจ้ารัฐปาละเป็นความจริงโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุแห่งตันหา ท่านพระรัฐบาละได้กล่าวเวยากรณะพาสิทธิ์นี้แล้วได้กล่าวคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่าอาตมาเห็นผู้คนที่มีทรัพย์ในโลกได้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแล้วไม่ยอมให้ใครเพราะความหลงได้ทรัพย์แล้วเก็บสะสมไว้และปรารถนากามคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปพระราชาทรงกดขี่ช่วงชิงเอาแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินซึ่งมีสมุดสาค ล, ล้อมรอบ ตลอดสมุทรสาครฝั่งนี้ยังไม่ทรงพอยังปรารถนาจะครอบครองสมุทรสาครฝั่งโน้นอีกทั้งพระราชาและคนอื่นเป็นจำนวนมากยังไม่ปราศจากตันหาก็เข้าถึงความตายยังไม่เต็มตามที่ต้องการเลยก็ละทิ้งร่างกายไปเพราะความอิ่มเ้วยกามไม่มีในโลกมู่ญาติพากันสยายผมคร่ำครวญถึงคนที่ตายนั้นและพูดว่า ทำอย่างไรหนอพวกญาติของเราทั้งหลายจึงจะไม่ตายแต่นั้นก็นำศพนั้นซึ่งห่อผ้าไว้แล้วยกขึ้นสู่เชิงตะกรแล้วช่วยกันเผาศพนั้นถูกเขาใช้เหลาแทงเผาอยู่และพภกข้ศัพท์มีแต่ผ้าผืนเดียวเมื่อคนจะตายญาติมิตรหรือสหายก็ช่วยไม่ได้ทายาททั้งหลายก็ขนทรัพย์สมบัติของเขาไปส่วนสัตว์ที่ตายไปก็ย่อมไปตามกรรม เมื่อตายไปทรัพย์ไรๆคือบุตรพัญญาทรัพย์ข้าวของเงินทองและเว้นแคว้นก็ติดตามไปไม่ได้ทรัพย์ช่วยคนให้มีอายุยืนไม่ได้ทั้งช่วยคนให้ละความแก่ก็ไม่ได้นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนั้นว่าน้อยนักไม่ยั่งยืนมีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีและคนยากจนก็ย่อมประสบเช่นนั้นทั้งผ่านและบัณฑิต ก็ประสบเหมือนกันทั้งนั้นคนพาณนนั่นแหละถูกเคแทงทุกกระทบเข้าย่อมวันไหวเพราะความเป็นคนโง่ส่วนบัณฑิตถูกกระทบเข้าก็ไม่วันไหวเพราะเหตุนั้นแหละปัญญาเท่านั้นเป็นเหตุบรรลุนิพพานซึ่งเป็นที่สุดแห่งพบในโลกนี้จึงประเสริฐกว่าทรัพย์ก็เพราะยังไม่ได้บรรลุที่สุดคนพาณทั้งหลายจึงทาแต่กรรมชั่วในพบน้อยใหญ่เพราะความเขา ผู้ทำกรรมชั่วต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรร่ำไปคนมีปัญญาน้อยเมื่อเชื่อคนที่ทำกรรมชั่วนั้นก็ย่อมเวียนไหวตายเกิดร่ำไปโจรผู้ทำกรรมถูกเขาจับได้ตรงทางสามแยกย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนฉันใดหมู่สัตว์ผู้ทำกรรมชั่วตายไปแล้วย่อมเดือดร้อนในโลกหน้าเพราะกรรมของตนฉันนั้น รกรมทั้งหลายที่งดงามน่าปรารถนาชวในให้รื่นโรมใจย่อมย่ำยีจิตโดยสภาวะต่างๆฉะนั้นอาตมาเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายจึงได้บวชมหาปิฏสัตว์ทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่พอร่างแตกสลายก็ล่วงไปเหมือนผลไม้สุกงอมร่วงหล่นไปมหาปิฏอาตมาเห็นความไม่เที่ยงแม้นี้จึงได้โบวความเป็นสมณะที่ปฏิบัติไม่ผิดนั่นแหล ประเสริฐกว่าดังนี้แลรัฐปาละสูตรที่สองจบสามมะขะเทวสูตรว่าด้วยพระเจ้ามะขะเทวะ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัมพวันของพระเจ้ามค ะ, ะเทวะเขครุงมิถิลาครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษณ์ณนะสถานที่แห่งหนึ่งลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้คิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษณ์พระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงแย้มพระโอษณ์โดยไม่มีสาเหตุ แล้วจึงห่มจีวรนเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์พระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีสาเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงมิถิลานี้แล ได้มีพระราชาทรงพระนามว่ามค拉ะเทวเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติ ธ, ธรรมในพราหมณ์และข้บดีในชาวนิคมและชาวชนบททรงรักษาอุโบสถทุกวันสิ่ค่ำสิห้าค่ำและวันแปดค่ำแห่งปักครั้งนั้นเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปี พระเจ้ามคะเทวะรับสั่งเรียกช่างกระบบกมาตรัสว่าช่างกระบอกเพื่อนรักเมื่อใดท่านเห็นผมงอกเกิดบนศีรษะของเราเมื่อนั้นพึงบอกเราครั้งนั้นช่างกระบกทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีช่างกระบบกได้เห็นพระเกษสงอกเกิดแล้วบนพระเศียรของพระเจ้ามค ะ, ะเทวะเรีกราบทูลว่า เทวทูตปรากฏแก่พระองค์แล้วพระเกษะหงอกเกิดแล้วบนพระเศียรปรากฏอยู่พระเจ้ามค ะ, ะเทวะตรัสว่าช่างกระบกเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงใช้แหนบถอนผมหงอกนั้นให้ดีแล้ววางลงที่กระพุ่มมือของเราเถิดอานนท์ช่างกระบกทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วจึงใช้แหนบถอนพระเกษะงอกนั้นอย่างดี แล้ววางลงบนกระพุ่มพระหัตถ์ของพระเจ้ามะคะเทวะพระเจ้ามะคะเทวะออกผนวดครั้งนั้นพระเจ้ามะคะเทวะพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกระบก แล้วรับสั่งให้เรียกพระราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่มามาเฝ้าแล้วตรัสว่าลูกเอ๋ยเทวทูตปรากฏแก่พ่อแล้วผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะปรากฏอยู่การมทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์พ่อได้บริโภคแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่จะแสวงหาการมทั้งหลายที่เป็นทิพมาเถิดลูกเอ๋ยลูกจงปกครองราชสมบัตินี้ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวด นุ่งหมผ้ากาสาวพัดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อใดลูกเห็นผมหงอเกิดแล้วบนศรีรษะเมื่อนั้นลูกจงให้บ้านสวยแก่ช่างกระบกพึงพร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีแล้วโกนผมและหนวดนุ่งหมผ้ากาสาวพัดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิดลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไว้นี้ ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยเมื่อยุค ข, ของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้วัดอันงามเห็นปานนี้ขาดศูญย์ไปคนนั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายของราชบัพชิตนั้นลูกเอย๋ยพ่อกล่าวอย่างนี้ว่าลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไวน้นี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยครั้งนั้นพระเจ้ามคะเทวะครั้นพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกระบก และทรงพร่ำสอนพระราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีแล้วทรงปรงพระเกษาและพระมัทสุทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแล้วเสด็จออกจากวังพนวดเป็นบรรพชิตที่มคะเทวะอัมภวันนี้เท้าเธอทรงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สาทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง ทรงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกมูเลาในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพยบูนเป็นมหากะตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ทรงมีกรุณาจิตทรงมีมุทิตาจิตทรงมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง ทรงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอนันไยบูนเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อานนท์พระเจ้ามคะเทวะทรงเล่นอย่างเด็กอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงตำแหน่งอุปราชอยู่ 84,000 ปีทรงครองราชอยู่ 84,000 ปีสเสด็จออกจากวังพนวเป็นบรรพชิต ประพฤตพรหมจรรย์อยู่ที่มค ะ, ะเทวอัมภวันนี้อีก 84,000 ปีพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหารสีประการหลังจากสวรรคตแล้วได้เสด็จเข้าถึงพรหมโลก ของพระเจ้ามค ะ, ะเทวออผนวดอานน์ครั้งนั้นแลเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระราชโอรสของพระเจ้ามค ะ, ะเทวะรับสั่งเรียกช่างกระะบบมาตรัสว่าช่างกระะบบเพื่อนรักเมื่อใดท่านเห็นผมหงอกเกิดแล้วบนศีรษะของเราเมื่อนั้นพึงบอกเราครั้งนั้นช่างกระะบบทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้ว เมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีช่างกระบอกได้เห็นเส้นพระเกศหงอกเกิดแล้วบนพระเศียรของพระราชะโอรสของพระเจ้ามะคะเทวได้กราบทูลว่าเทวทูตปรากฏแก่พระองค์แล้วพระเกศหงอกเกิดแล้วบนพระเศียรปรากฏอยู่พระราชโอรสของพระเจ้ามะคะเทวตรัสว่าช่างกระบอกเพื่อนรัก ถ้าเช่นนั้นท่านจงใช้แหนบถอนผมงอกนั้นให้ดีแล้ววางบนกระพุ่มมือของเราเถิดช่างกลระบุนรับสนองพระราชดำ m รัสแล้วจึงใช้แหนบถอนพระเขสาหงอกนั้นอย่างดีแล้ววางบนกระพุ่มพระหัตของพระราชโอรสของพระเจ้ามคะเทวะครั้งนั้นพระราชโอรสของพระเจ้ามคะเทวะได้พระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลระบุ แล้วรับสั่งให้เรียกพระราชกุมารผู้เป็นโอรสพระองค์ใหญ่มาเฝ้าตรัสว่าลูกเอย๋ยเทวทูตปรากฏแก่พ่อแล้วผมหงอกเกิดแล้วบนศีรษะปรากฏอยู่การมทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์พ่อบริโภคแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่จะสแสวงหากรมอันเป็นทิพมาเถิดลูกเอย๋ยลูกจงปกครองราชสมบัตินี้ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อใดลูกเห็นผมหงอกเกิดแล้วบนศรีรษะเมื่อนั้นลูกพึงให้บ้านสวยแก่ช่างกระบกแล้วพึงพร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีแล้วพึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิดลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไว้นี้ ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยเมื่อยุค ข, ของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้วัดอันงามเห็นปานเนื้อขาศูนย์ไปคนนั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายของราชบัณชิตนั้นลูกเ อ, อ๋ยพ่อกล่าวอย่างนี้ว่าลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไว้แล้วนี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยครั้งนั้นพระราชโอรสของพระเจ้ามค ะ, ะเทวะ ครานพระราชทานบ้านสวยแก่แช่งกระบกและทรงพระสอนพระราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่เนื้อการครองราชสมบัติให้ดีแล้วทรงปลงพระเกศาและพระมสุทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแล้วเสด็จออกจากวังผนวเป็นบรรพชิตอยู่ในมค ะ, ะเทวะอัมภวันนี้เท้าเธอทรงมีเมตตาจิตแพรไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สทิศ ท, ที่สี่ทิศเบื้องบน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 เสด็จออกจากวังผนวชเป็นบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่มพ ะ, ะเทวอัมภวันนี้อีก 84,000 ปีพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหารสี่ประการหลังจากสวรรคตแล้วได้เสด็จเข้าถึงพรหมโลก พระราชนัดดาของพระเจ้ามคะเทวะออกผนวดอานนท์พระราชโอรสและพระราชนัดดาของพระเจ้ามคะเทวะสืบราชวงศ์ต่อมาแปดหมืสี่พันชั่วกษัตริย์ได้ปลงพระเกศาและพระมั ส, สุนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตอยู่ในมคะเทวะอัมภวันนี้เท้าเธอเหล่านั้นทรงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่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 ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงทรงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพ่บูรเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เท้าเธอเหล่านั้นทรงเล่นอย่างเด็กอยู่8ปดหมพปีทรงดํารงตําแหน่งอุปราชอยู่8ปดหมพปีทรงครองราชอยู่ 84% ดหมพันปี เสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่มคะทเท ว, วอัมภวันนี้อีก 84,000 ปีพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหารสี่ประการหลังจากสวรรคตแล้วได้เสด็จเข้าถึงพรหมโลกพระเจ้านิมิเป็นพระราชาองค์สุดท้ายแห่งราชบรรพชิตนั้นเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชาผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติธรรมในพรามและข้าบดี ในชาวนิคมและชาวชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวัน14ค่ำ15บ้ค่ำและวัน8ปดค่ำแห่งปักพระเจ้านิมิรักษาอุโบสถอานน์เรื่องเคยมีมาแล้ว อันตราคถานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เทพทั้งหลายชั้นเดวดึงผู้นั่งประชุมกันนสภาชื่อสุธรรมมาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาบของชาววิเทหะหนาชาววิเทหะได้ดีแล้วหนาที่พระเจ้านิมิเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติ ธ, ธรรมในพรามและก้บดีในชาวนิคมและชาวชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำและวันแปดค่ำแห่งปักลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพตรัสเรียกเทพทั้งหลายชั้นเดวดึงมาถามว่าท่านผู้นิรทุกทั้งหลายท่านทั้งหลายปรารถนาจะเห็นพระเจ้านิมิหรือไม่เทพทั้งหลายชั้นเดวดึงทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกพวกข้าพระองค์ปรารถนาจะเห็นพระเจ้านิมิ อา น, นุ์สมัยนั้นในวันอุโบสถ15บหาคำ่ำพระเจ้านิมิทรงสนานพระกายทั่วพระเสียรแล้วทรงรักษาอุโบสถประทับนั่งอยู่แล้วบนปราสาทอันประเสริฐชั้นบนครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพได้ทรงอัญมณีจากเทพทั้งหลายชั้นเดวดึงไปปรากฏเฉพาะพระพักพระเจ้านิมิเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้า แล้วตรัสกับพระเจ้านิมิว่ามหาราชเป็นลาบของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วเทพทั้งหลายชั้นเดวดึงนั่งประชุมสรรเสริญกันอยู่ในสภาชื่อสุธรรมมาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาบของชาววิเทหหนอชาววิเทหะได้ดีแล้วหนอที่พระเจ้านิมิเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นในธรรม ทรงประพฤติ ธ, ธรรมในพราหมณ์และขา้าดีในชาวนิคมและชาวชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวันส4บสี่ค่ำสิบห้าค่ำและวันแปดค่ำแห่งปักมหาราชเทศทั้งหลายชั้นดาวดึงปราถนาจะเห็นพระองค์หม่อมฉันจะทรงรถเทียมด้วยมาอาชาในพันตัวมาเพื่อพระองค์พระองค์ทรงขึ้นประทับบนทิพยายานเถิดอย่าทรงหว่นพระทัยเลย พระเจ้านิมิทรงรับเชิญโดยดุษณีภาพพระเจ้านิมิทอดพระเนตรนรกและสวรรค์อานนท์ครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพทราบอาการที่พระเจ้านิมิทรงรับเชิญแล้ว จึงอันตรธานจากที่เฉพาะพระพักของพระเจ้านิมิมาปรากฏในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งเรียบมาตลีเทพประบรุผู้รับใช้มาตรัสว่ามาเถิดมาตาลีเพื่อนรักท่านจงจัดรถเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้านิมิจงทูลอย่างนี้ว่า มหาราชรถเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวนี้เท้าสักกะจอมเทพทรงส่งมารับพระองค์พระองค์พึงเสด็จขึ้นประทับยังทิพยายานเถิดอย่าทรงหวั่นพระไทยเลยมาตาลีเทพบระบุผู้รับใช้ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วจัดรถเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเข้าไปเฝ้าพระเจ้านิมิแล้วทูลว่ามหาราช รถที่เทียมด้วยมาอาชานัยพันตัวนี้เท้าสักกะจอมเทพส่งมารับพระองค์เชิญเสด็จขึ้นประทับยังทิพยายานเถิดอย่าทรงหวั่นพระไทยเลยอันหนึ่งทางสำหรับสัตว์ผู้มีบาปกรรมเสวยผลของบาปกรรมทางหนึ่งทางสำหรับสัตว์ผู้มีกรรมอันงามเสวยผลของกรรมอันงามทางหนึ่งข้าพระองค์จะเชิญเสด็จไปทางไหนพระเจ้าข่า พระเจ้านิมิตรัสว่ามาตลีจงนํำเราไปทั้งสองทางนั่นแหลอานนท์มาตลีเทพประบุผู้รับใช้นําเสด็จพระเจ้านิมิถึงสภาชื่อสุธรรมมาเท้าสักกะจอมเทพทอดพระเนตรเห็นพระเจ้านิมิผู้กําลังเสด็จมาแต่ไกลจึงตรัสว่ามหาราชเชิญเสด็จเข้ามาเถิดขอรับเสด็จมหาราช เทพทั้งหลายชั้นเดวดึงปรารถนาจะเห็นพระองค์ประชุมสรรเสริญกันอยู่ในสภาชื่อสุธรรมมาว่าท่านผู้เจริญเป็นลาบของชาววิเทหะหนอชาววิเทหะได้ดีแล้วหนาที่พระเจ้านิมิเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชาผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติ ธ, ธรรมในพรามและขหาบดีในชาวนิคมและชาวชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวัน14ข่ค่ำ15บ้าค่ำและวัน8ดค่ำแห่งปักมหาราชเทพทั้งหลายชั้นเดวดึงปรารถนาจะเห็นพระองค์ขอเชิญพระองค์ทรงอภิรมย์อยู่ในหมู่เทพทั้งหลายด้วยเทวานุภาพเถิดพระเจ้านิมิตตรัสว่าอย่าเลยพระองค์ผู้นิรุกุ์ขอจงนำหม่อมฉันกลับไปยังกรุงมิถิลาในมนุษยโลกนั้นเถิด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 พระเจ้านิมิออกผนวดอานนท์ลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกมาตลีเทพประบุตรผู้รับใช้มาตรัสว่ามาเถิดมาตลีเพื่อนรักท่านจงจัดรถเทียมด้วยมาอาชาในพันตัวนำพระเจ้านิมิกลับไปยังกรงมิถิลาในมนุษยโลกนั้นเถิดมาตลีเทพประบุตรผู้รับใชทูลรับสนองพระดารัสแล้ว จัดรถเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวแล้วนำพระเจ้านิมิเสด็จกลับไปยังกรุงมิถิลาในมนุษย์โลกนั้นได้ยินว่าสมัยนั้นพระเจ้านิมิทรงประพฤติ ธ, ธรรมในพรามและข้าบดีในชาวนิคมและชาวชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวัน14ข่ค่ำสิบห้าค่ำและวันแปดค่ำแห่งปักต่อมาเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปี พระเจ้านิมิรับสั่งเรียกช่างกระระบกมาตรัสว่าช่างกระรบกเพื่อนรักเมื่อใดท่านเห็นผมหงอกเกิดแล้วบนศีรษะของเราเมื่อนั้นพึงบอกเราช่างกระรบกทูลรับสนองพระราชดัมรัสแล้วเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีช่างกระบกได้เห็นพระเกษหงอกเกิดแล้วบนพระเศียรของพระเจ้านิมิจึงกราบทูลว่า เทวทูตปรากฏแก่พระองค์แล้วพระเกษา ง, งอกเกิดแล้วบนพระเศียรปรากฏอยู่พระเจ้านิมิตรัสว่าช่างกระบกเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงใช้แหนบถอนผมงอกนั้นให้ดีแล้ววางลงบนกระพุ่มมือของเราช่างกระบกทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วจึงใช้แหนบถอนพระเกษห ง, งอกนั้นอย่างดีแล้ววางไว้ที่กระพุ่มพระหัตของพระเจ้านิมิต อานนต่อมาพระเจ้านิมิพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกระบกแล้วรับสั่งให้เรียกพระราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่มาตรัสว่าลูกเอ๋ยเทวทูตปรากฏแก่พ่อแล้วผมหงอกเกิดแล้วบนศรีรษะปรากฏอยู่กามทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์พ่อบริโภคแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่จะสแสวงหากามอันเป็นทิพมาเถิดลูกเอ๋ย ลูกจงปกครองราชสมบัตินี้ส่วนพ่อจกโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาลสวพัทออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อใดลูกเห็นผมหงอกเกิดแล้วบนศีรษะเมื่อนั้นลูกจงให้บ้านสวยแก่ช่างกระระบกพึงพร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาลสวพัออกจากวังบวเป็นบรรพชิตเถิด ลูกพึงประพฤติวัดอ in ันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไว้นี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยเมื่อยุคของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้วัดอันงามเห็นปานี้ขาดศูญไปคนนั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายของราชบัณชิตนั้นลูกเอ๋ยพ่อกล่าวอย่างนี้ว่าลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไว้แล้วนี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลย เจ้ากัลาระกะชนกเป็นองค์สุดท้ายอา n o ์ครั้งนั้นพระเจ้านิมิครั้นพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลระบกแล้วทรงพร่ำสอนพระราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีแล้วทรงโกนพระเกศาและพระมัสสุนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากวังพนวกเป็นบรรพชิตณนะม ะ, ะเทวอัมภวันนี้เท้าเธอมีเมตตาจิต แผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งอยู่ทิ่ที่สองทิ่ที่สามทิ่ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงทรงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมูเหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพ่บู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ทรงมีกรุณาจิตทรงมีมุทิตาจิตทรงมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งอยู่ ทิศที่สองทิศที่สทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงทรงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานโดยอุเบกขาจิตอันไพยบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่พระเจ้านิมิทรงเล่นอย่างเด็กอยู่ 84,000 พปีทรงดำรงตาแหน่งอุปราชอยู่ 84, พันปี ทรงครองราชอยู่แปดมืนพันปีสเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่มคะเทวะอัมภวันนี้นั่นแลอีกแปดมืนพันปีพระองค์ทรงจเจริญพรหมวิหารสี่ประการหลังจากสวรรคตแล้วได้สเสด็จเข้าถึงพรหมโลกอานนท์พระเจ้านิมิมีพระราชโอรสพระนามว่ากลารกะชนก พระราชกุมาร น, นั้นไม่ได้ออกจากวังผนวกเป็นบรรพชิตทรงตัดวัดอันงามนั้นแล้วได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์คนสุดท้ายแห่งราชบรรพชิตนั้นอาน o ์เธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นพระเจ้ามคะเทวะซึ่งทรงตั้งวัดอันงามนั้นคงเป็นคนอื่นเป็นแน่แต่ข้อนั้นเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราเป็นพระเจ้ามคะเทวะ ได้ตั้งวัดอันงามนั้นไว้ประชาชนผู้เกิดมาภายหลังประพฤติตามวัดอันงามที่เราตั้งไว้แล้วนั้นแต่วัดอันงามนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้นส่วนวัดอันงามที่เราตั้งไว้ในบัดนี้